ปัญหาที่สามถามความปรากฏแห่งที่สุดเบื้องต้นข้าแต่พระนาคเสพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าที่สุดเบื้องต้นบางอย่างปรากฏบางอย่างไม่ปรากฏจึงขอถามว่าอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏขอถวายพระพรสิ่งทั้งปวงที่ไม่เคยมีเบื้องต้นปรากฏมาเมื่อก่อนนั่นแหละเรียกว่า ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏสิ่งใดไม่เคยมีแต่มีขึ้นคั้นมีขึ้นแล้วก็หายไปอันนี้แหละเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นปรากฏข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสิ่งใดไม่เคยมีมามีขึ้นมีขึ้นแล้วหายไปที่สุดเบื้องต้นอันขาดไปเป็นสองฝ่ายก็ได้ความแล้วไม่ใช่หรือขอถวายพระพร ถ้าที่สุดเบื้องต้นตัดออกไปเป็นสองฝ่ายแล้วก็ได้ความพระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าได้เป็นสองฝ่ายหรือไม่ขอถวายพระพรอาจให้เข้าพระทยได้โยมไม่ได้ถามข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าใจได้โดยที่สุดหรือไม่อาจขอถวายพระพรขอนีมนต์อุปมาด้วย พระเถระก็ได้ยกเอาต้นไม้ขึ้นอุปมาดังที่ว่ามาแล้วนั้นพระเจ้ามิรินจึงตัดว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก้ดีแล้วเดกามิรินพืชย่อมเกิดเป็นต้นไม้แล้วมีใบดอกผลเป็นลําดับไปชั้นใดกองแห่งทุกข์ทั้งสิ้นก็เกิดต่อกันไม่ปรากฏเบื้องต้นว่าเกิดมาแต่ครั้งไหนฉันนั้น ได้ใจความว่ารูปนามของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่ปรากฏว่าเบื้องต้นเกิดมาแต่เมื่อไหร่เพราะเกิดต่อๆกันมาเป็นลำดับปัญหาที่สถามถึงความเกิดขึ้นแห่งสังขารข้าแต่พระนาคเสนสังขารบางอย่างเกิดขึ้นมีอยู่หรือขอถวายพระพรมีอยู่ ได้แก่สังขาเรเหล่าไหนมหาราชเมื่อจักสุโสตะคานาะชิวหากายมโนโมีอยู่จักขวิญญาณโสตะวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็มีอยู่เวทนาอันเกิดเพราะจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัส ชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสก็มีอยู่เมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาอุปท า, านพบชาติชรามรณนะโซกะปริเทวะทุกโทมัสตุปายาตขึ้นเป็นอันว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นมีขึ้นอย่างนี้เมื่อจากขุโสตะ คานะชิวหากายมโนไม่มีวิญญาณหกสัมผัสหกเวทนาหกนั้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเป็นอันว่าความดับไปแห่งกองทุกทั้งสิ้นมีขึ้นอย่างนี้ ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วสรุปความปัญหานี้ท่านถามต่อเนื่องมาจากปัญหาที่แล้วคือกงรถที่เป็นวงกลมหรือเรียกว่ากงจักรนั่นเองได้แก่ตาหูจมูกริ้นกายใจรวมเรียกว่าอายตนะภายในหก ส่วนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธมารมรวมเรียกว่าอายตนะภายนหก 6. ทั้งหมดรวมเรียกว่าสรายตนะหรือที่เรียกกันว่าทวานอันเป็นทางเข้าของอารมณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณวงเล็บเปิด ประสาทรับรู้ทางตาวงได้ปิดส่วนอวัยวะอื่นก็ทำหน้าที่กันเป็นคู่คู่จะไม่นำมากล่าวย้อนอีกรวมความว่าเมื่อสามอย่างคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณมากระทบกันจึงเรียกว่าพัทธะพัทธะเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดเวทนาได้แก่ อารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างไม่สนใจบ้างเป็นต้นเวทนาทำให้เกิดตัณหาอุปาทานกรรมกล่าวรวมๆคือกระทาไปด้วยความหลงผิดส่งผลให้เกิดสลายตนะอีกให้สืบต่อหมุนเวียนอย่างนี้เป็นวัฏจักรเรียกว่าปุริมกโกรคือหาเบื้องต้นไม่ได้ หาเบื้องไปายไม่พบสิ้นกาลนานนักหนาอันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันที่เป็นเช่นนี้เพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุอุปมาเหมือนกับเมล็ดพืชกับต้นไม้เหมือนไข่กับแม่ไก่และเหมือนกลงรถนี้เป็นอันว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์มีขึ้นอย่างนี้ ซึ่งเป็นการตอบคำถามของพระเจ้ามิลินที่ถามว่าสังขารเหล่าไหนที่เกิดมีขึ้นแล้วพระนาคเกษท่านก็แก้ตอบไปว่าสลายตนะไม่มีวิญญาณพัสสะเวทนาก็ไม่มีตัณหาอุปทานกรรมทุกข์ต่างๆก็ไม่มีรวมความว่าความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นมีขึ้นอย่างนี้ ดังที่ได้สรุปให้เชื่อมโยงกันทั้งหมดนี้ส่วนปัญหาที่ห้าเป็นข้อต่อไปจะเป็นคำถามที่ตรงกันข้ามกับข้อที่สี่มีว่ายอย่างนี้